เคยไปส่วนโมกชัยยาต้องรู้จักนะโรงรพยาบาลรศทางวิญญาณในโรงมยาบาลทางวิญญาณนีมีภาพอยู่ภาพหนึ่งเป็นภาพพระพระภิกษุเนี่ยนะหันข้างข้างหน้าข้างหลังก็มีผู้ชายสองคนผู้ชายชื่อข้างหลังนี่ก็พนมมือไหว้ไหว้พระเนี่ยอย่างอ่อนน้อม ผู้ชายคนที่อยู่หน้าพระเนี่ยเอาสองมือเนี่ยปิดหูหรือกุมหัวไว้แล้วก็มีข้อความบรรยายภาพนะว่าสมัยนี้พวกเราเอาแต่ว้พอสอนให้ประพฤตริรมก็กำหูนะสมัยนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะสมัยที่วาดภาพนั้นเท่านั้นนะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ คนเราชาวพุทธเราก็เจอพระก็ไหว้อย่างอ่อนน้อมแต่ว่าพอพระทสอนทำก็เอามือกำหูหรือปิดหัวไว้อันนี้เป็นสัญลักษณ์นะว่าเนี่ยไม่ได้สนใจฟังทำเลยก็เคยพูดนะเนี่ยเวลามาวัดเนี่ยหลายคนก็มาเพื่อที่จะทารรบุญพอคิดว่าหรือเชื่อว่าทารรบุญแล้วจะประสบโชคลาภ มีความผาสุบสวัสดีไปถึงแต่พอถึงเวลาจะฟังธรรมแล้วก็ไม่สนใจฟังทั้งที่ธรรมเนี่ยนะมันมีอนิสงส์ประเสริฐกว่าบุญเพราะว่าแม้จะประสบเคราะห์ไม่ได้โชคไม่ได้ลากแต่ว่าธรรมก็สามารถช่วยให้ใจไม่ทุกข์ได้คนนี้ก็มีจำนวนไม่น้อยนะที่ สนใจฟังธรรมนะไม่ได้เอามือกุมหูวไว้สนใจฟังธรรมแล้วก็ฟังเยอะฟังบ่อยด้วยแต่ว่าฟังแบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาก็อาจจะเพลินนะเวลาฟังแล้วก็เพลินดีเพราะว่าใจไม่คิดอะไร ที่เคยวิตกกังวลเรื่องลูกกังวมกังวลเรื่องงานเรื่องหนี้สินที่เคยรคําคาญหมุดหยิดเพื่อนบ้านพอได้ฟังธรรมช่วงนั้นก็ไม่ได้คิดเรื่องเหล่านั้นเลยใจก็สบายผ่อนคลายแต่ว่าพอยดฟังธรรม มาเจอกับสิ่งกระทบเดิมๆสิ่งแวล้อมเดิมๆก็เครียดใหม่หงุดหงิดใหม่กลุ้มใจใหม่แล้วก็แปลกนะเวลาฟังธรรมเนี่ยธรรมะหรือเสียงธรรมข้าหูซ้ายทัหูขวาแต่เวลาเจอเสียงดินทาเนะเสียงต่อว่ามันเข้าหูซ้ายนะ ขณะที่มันจะทะลุหูขวานะมันกลับบนอยู่ข้างในหัวที่จริงควรจะเป็นตรงข้ามนะคือว่าเวลาฟังธรรมเนี่ยนะเข้าหูซ้ายก็ประทับนั่นอยู่ในหัวไม่ทะลุนะอกไปอีอหูหนึ่งง่ายๆ ส่วนเวลาใครพูดต่อว่าดาทอเข้าหูซ้ายก็ทุลหูขวาเลยสบายไมย่ทุกข์แต่ว่ามีชาวพุทธจำนวนมากทีเดียวนะแม้ว่าอาจจะไม่ได้แค่มาทำบุญไม่ได้แค่มาถวายสังฆทานแต่ว่ามาฟังธรรมด้วย หรืออจะฟังทาที่บ้านจำนวนไม่น้อยเลยเนี่ยทำมานี่ข้าหูซ้ายก็ทรุหูขวาไปเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดหรือพฤติกรรมที่พูดงี้ได้เพราะอะไรเพราะเวลาเจอลมปากขี้ปากชาว บ, บ้าน เข้าหูซ้ายนี่ยมันก็วนเวียในหัวเนี่ยไม่ไปไหนเลยก็มีความหงุนหยิดโมโหโกรธาอาการอย่างนี้มันฟ้องนะว่าเนี่ยเวลาฟังธรรมเนี่ยแม้จะฟังเยอะแต่ว่ามันเป็นการฟังแบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาส่วนผู้ที่ปฏิบัติใช้มนจริงเนี่ย เวลาเจอคำต่อว่าดาทอสิ่งที่เป็นขี้ปากชาวบ้านเนี่ยเข้าหูซ้ายมันทะลุหูขวาจริงเลยนะไม่รู้สึกอะไรเมื่อสักหกปีก่อนเนี่ยมีชายหนุ่มคนหนึ่งเรียนจบมหพ่อก็อยากจะให้มาฝึกงานเรื่องก่อสร้างชายหนุ่มคนนั้นเนี่ย อยู่ที่ชัยยาผู้เป็นพ่อนี่ก็รู้จักท้าเจ้าพุทธทาบก็เลยฝากฝังลูกชายให้มาอยู่ที่สวนโมกเพราะช่วงนั้นสวนโมกนี่มีการก่อสร้างอาคารอยู่สองหลังอยากจะให้ลูกชายเนี่ยได้มาเรียนรู้วิชาวิชาก่อสร้างและถือการได้ใกล้ชิดธรรมะด้วย ชายหนุ่มนั่นก็นั้นเนี่ยก็มาทํางานฝึกงานกับนายช่างนาะยช่างนี่แกเป็นคนอารมณ์ร้อนมีวันห น, นึ่งเ่ยเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยทำงานไม่ทันใจก็โดนนายช่างดานะ่าไอ้ฮาโอ้ยเด็กหนุ่มคนนั่นนี่ไม่เคยโดนใครดา่าแบบนี้นะร้องไห้เลยนะทั้งเสียใจทั้งโกรธ แล้วก็ตัดสินใจว่าไม่ทํางานนี้แล้วล่ะจะไม่อยู่สวนโมกแล้วก็เลยไปหาพระพุทธทาสแล้วก็บอกว่าจะไม่ขออยู่สวนโมกแล้วท่อาจารย์ก็ถามว่าทําไมละ่ะเด็กหนุ่มก็บอกว่าเนี่ยโดนนายช่างเขาด่าครับแล้วเขาด่าเธอว่าอะไรเขาด่าว่าไอ้หาครับ แตจารย์ท่าบอกโอ้ยจะเจ็บอะไรไอ้หากับเรานี่มันยังด่าแม่เลยนะแต่ท่านเฉยนะท่านไม่รู้สึกทุกร้อนไม่รู้สึกโกรธเลยถ้าพูดอย่างภาษาชาวบ้านคือคำด่าในช่างนั้นเนี่ยมันเข้าหูซ้ายทะลหูขวาท่านอย่างนี้ต่างหากนะที่สมกับเป็นผู้ประพฤติธรรมนะไม่ใช่ว่า ฟังทำเยอะแต่ว่าไม่ได้อะไรเลยเข้าททำนองเนี่ยข้าหูซ้ายทัหูขวาถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ ย, เ, ยเวลาเจอคำดา่าคำต่อว่าเนี่ยข้าหูซ้ายเนี่ยมันมันกวนอยู่ในหัวนะจะทำให้งุดหิดโมโหเหมือนกับเด็กหนุ่มคนนั้น อันนี้เป็นสายชาวโลกนะถึงแม้จะอวดอ้างว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันคือว่าเวลาฟังธรรมเนี่ยนะข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแต่เวลาเจอลมปากขี้ปากชาวบ้านนี่ข้าวหูซ้ายก็วนอยู่ในหัวนั่นแหละติดตึงอยู่ในหัวไม่ทะลุออกไปทางหูขวา ตรงข้าวานะผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะลมปากชาวบ้านี่เนะข้าหูซ้ายทรุหูขวาเข้าหูขวาทรุหูซ้ายทันทีเพราะอะไรเพราะว่าเวลาฟังธรรมเนี่ยนะเข้าหูซ้ายแล้วเนี่ยก็อยู่ในหัวเพื่อคร้ครวนพิจารณาแล้วก็นำไปปฏิบัติ ้เวลาฟังทำเยอะๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าจิตจะเปลี่ยนพฤติกรรมจะเปลี่ยนนะตราบใดที่ฟังแล้วเนี่ยไม่ได้เก็บเอามาคิดไม่ได้มาใคร่ครวนเอามาใช้ย้อนมองตนเออเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราทำได้อย่างที่ท่านว่าไหมหรือเราเป็นในทางตรงข้าม ท่ได้พรอก็ต้องปฏิบัติด้วยและการปฏิบัติเนี่ยถ้าว่าปฏิบัติตามธรรมะที่ได้สอนเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การปล่อยการวางได้ง่ายซึ่งอันนี้มันก็ตรงข้ามกับคนทั่วไปนะคนทั่วไปเนี่ยชอบแบกชอบยึดส่วนผู้ประพฤติธรรมเนี่ยอาจะ ถนัดในการวางในการปล่อยสายวิทารณ์เนี่ยมีพระรุมหนึ่งนะชื่อพระนันทิยะมีคราวหนึง่งก็มีพระหนุ่มเพิ่งบวชใหม่มาสนทนาทำพระรุม น, นชื่อองค์คุลีมานแล้วองคุลิมานก็ เป็นผู้ฝ่รู้นะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระนวกะมีความถ่อมตัวก็อยากจะเรียนทมจากพระที่เป็นพันเตก็เห็นพระนันทิยาเนี่ยสำรวมก็เลยถามว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนอะไรท่านบ้างพระนันทิยาก็นำมาเล่าให้ฟัง หลายตอนที่เดินนะั้นตอนหนึ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยเมื่ออารมณ์ที่น่าพอใจหรืออารมณ์ไม่พอใจเกิดขึ้นจงวางไว้เป็นกองกองณ้ที่นั้นอย่านำมาเก็บไว้หรือแบกเอาไว้ถ้าเขาด่าเราบนบกก็วางคำด่านั้นนะตรงนั้น อย่านำคำด่าติดตัวลงน้ำถ้าเขาด่าเราในน้ำก็วางคำด่านั้นในน้ำอย่าแบกนะเอาขึ้นบกไปด้วยถ้าเขาด่าเรานะที่เชตวันก็วางคำด่านั้นไว้ตรงนั้นอย่านำติดตัวไอ้ถ้าเขาด่าเราที่ สาวัตถีก็วางคำดา่าไว้ตรงนั้นอย่านำหรือแบกไปเชตวันด้วยนี่เป็นคำสอนง่ายๆนะที่เข้าใจง่ายแล้วก็เน้นนะให้เห็นนะว่าเนียอันนี้ก็คือวิธีของผู้ไฝ่ธรรมชาวโลกเนี่ยนะ เจอคำดา่าคำว่านี่ก็เก็บแบกเอาไว้แต่ว่าผู้ฝ่ายธรรมเนี่ยกลับวางกับปล่อยไม่เก็บไปด้วยอันนี้คือความแตกต่างนะระหว่างชาวโลกนะกับผู้ประพฤติธรรมมีอะไรก็เก็บมีอะไรก็แบก ไม่ใช่เฉพาะทรัพย์สมบัติเงินทองหรือว่าชื่อเสียงกิตยยศนะแม้กระทั่งสิ่งที่ก่อทุกข์ก็เก็บก็แบกเอาไว้ไม่ใช่เฉพาะคำด่าคำต่อว่านะั้นแม้กระทั่งความโกรธความโศก ค, ความเศร้านะความหนักอกหนักใจก็เก็บเอาไว้แล้วก็หวงแหนด้วย ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเวลาโกรธเนี่ยทั้งทั้งที่รู้ว่าการให้อาภัยนี่จะช่วยทำให้หายโกรธปล่อยวางความโกรธได้กลับไม่ยอมให้อาภัยแถมใครมาแนะนาก็ว่าพี่ว่าเป็นไม่ใช่พวกเดียวกับตัวเป็นพวกเดียวกับมัน เวลาโศกเวลาเศร้านี่ก็พยายามทนนุนอมความโศกความเศร้าแล้ลึกถึงสิ่งที่ทำให้มันเศร้าฟังเพลงเศร้าใครจะชวนไปไหนก็ไม่ไปจะขอนั่งเศร้าเจ้าจุกอยู่ตรงนั้นแหละอันนี้ก็เป็นวิสัยของชาวโลกนะที่ชอบเก็บชอบแบกนะแต่ว่าผู้ไฝ่ธรรมเนี่ยจะวางจะขนไยในการวางไม่ใช่เฉพาะเงินทองชื่อเสียง หรือว่าเกติยตแม้กระทั่งอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจอย่างที่พระพุทธเจ้าจัดเนี่ยอย่างที่พระนันทิยะได้พูดถึงเนี่ยอารมณ์พอใจอารมณ์ที่น่าพอใจอารมณ์ไม่น่าพอใจก็ให้รู้จักวางอารมณ์ที่ว่านี้ก็ได้แต่รู้ลดกลิกก่นเสียงสัมผัสนะเดิไปถึงธรรมอารมณ์ยิ่งรู้ลดกลิ่นเสียงที่ไม่น่าพอใจเนี่ยก็ยิ่งต้องวางเข้าไปใหญ่ เสียงต่อว่าดา่าทอหรือว่าเสียงรบกวนเสียงดัง ย, ยิ่งต้องวาง <S <S แล้วก็ไม่ใช่แค่เสียงจากภายนอกนะอารมณ์ภายในที่เป็นอารมณ์อกุศลนี่ก็ต้องรู้จักวางไม่ใช่เก็บเอาไว้และการที่จะวางได้เนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะก็คือ ให้รู้ทันหรือว่าเห็นหลวงพ่อเขียนท่านพูดย้ำอยู่เสมอนะเห็นอย่าเข้าไปเป็นอ่คนที่ฝ่ธรรมเนี่ยจะเห็นคุณค่าของการฝึกตนเพื่อเห็นแล้วก็จะเห็นอยู่เรื่อยเรื่อส่วนชาวโลกเนี่ยนะ หรือคนยึดไม่ได้ฝึกมาเนี่ยจะเป็นอย่างเดียวเลยเป็นตะพืชตะพื้นมีความโกรธก็ เ, เป็นผู้โกรธมีความเศร้าก็เป็นผู้เศร้ามีความปวดก็เป็นผู้ปวดซึ่งก็คือการเข้าไปแบกเข้าไปยึดนั่นเองไปยึดความปวดเป็นเราของเราไปยึดความเศร้าเป็นเราเป็นของเราไอการวางเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ สิ่งหนึ่งที่สําคัญคือการเห็นวางอารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยจะวางได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยากจะวางแล้วจะวางได้นะมันต้องเห็นต้องเห็นก่อนเห็นหรือรู้ทันอารมณ์นั้นมันจึงจะวางได้ที่จริงเมื่อเห็นเนี่ยมันก็จะวางโดยอัตโนมัติเลย เพราะว่าการที่จะเห็นได้ต้องมีสติและเมื่อมีสติความรู้สึกตัวก็ตามมาม่อมีความรู้สึกตัวการที่จะปรุงแต่งอารมณ์หรือเข้าไปยึดอารมณ์นั้นหรือไปแบกอารมณ์นั้นหรือเกิดตัวกูผู้โกรธผู้เครียด น, นี่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้ เห็นความโกรธมันก็ไม่มีผู้โกรธนะเห็นความโศกมันก็ไม่มีผู้โศกเห็นความเครียดมันก็มันก็ไม่มีผู้เครียดมันก็นำไปสู่การปล่อยการวางในที่สุดงั้นเวลาเราพูดถึงการปล่อยการวางที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยหลายคนก็บอกว่าแม่มันทำยากพูดง่ายแต่ทำยากที่มันทายากเพราะว่าไม่ได้ฝึก นะให้มีสติเห็นมันอย่างรวดเร็วเห็นนี่คือเห็นอาการของใจไม่ใช่แค่เห็นอารมณ์อย่างเดียวนะไม่ใช่แค่เห็นนาร่มเห็นความโกรธความโศกความเศร้าเห็นอาการของใจที่มันไปยึดไปจดจอ่อไปแบบนะสิ่งที่มากระทบ เช่นมีเสียงดังก็ใจก็ไปจดจ่อที่เสียงไม่จะเป็นเสียงริงโทนเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงคนพูดคุยทั้งที่ไม่ชอบเนี่ยแต่ว่าใจก็ไปจดจอ่อเห็นเนี่ยคือเห็นอาการที่ใจมันเข้าไปจดจอ่อลมทั้งผักใสพอเห็นอาการของใจที่เป็นชนะแล้วเนี่ยมันก็จะวางได้ใจก็จะวางได้หรือว่า แค่รู้เฉยๆในเวลาพูดถึงการปล่อยการวางเนี่ยแม้จะยังไม่เกิดปัญญาเข้าใจเรื่องพระไตรลักษณ์อ น, นิจจังทุกขังนาตายอย่างแจ่มแจ้งแต่ถ้ามีสติรือว่าสัมมาสติเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เกิดการวางได้วางเพราะเห็นจึงไม่เข้าไปเป็น นั่นของเขาใจดีนะแล้วก็ฝึกให้ให้สัมผัสกับภาวะที่ว่าเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนใช้นใช้คำว่าภาวะที่เห็นจริงๆไม่มีผู้เห็นนะมันมีแต่ภาวะที่เห็นเพราะว่าเมื่อเห็นแล้วมันไม่มีใครนะทําอะไรทั้งสิ้นมันเป็นแต่ภาวะที่เห็น แต่ไม่มีผู้เห็นแต่ถ้าไม่เห็นนะมันมีผู้เป็นขึ้นมาทันทีเลยผู้อย่างนี้ก็เข้าใจลาบากจนกว่าจะได้ทดลองปฏิบัติปฏิบัติด้วยการเจรเิญสติจะวางได้ไม่แบกนีต้องเห็นไม่เข้าไปเป็นและจะเห็นไม่เข้าไปเป็นได้เนี่ยมันต้องรู้จักมองเข้ามาข้างในนะ คนส่วนใหญ่มองหรือว่าส่งจิตออกนอกไปจดจอ่อกับรูปรถกินเสียงสัมผัสแต่ผู้ฝ่ายธรรมเนี่ยจะหันมาให้ความสําคัญกับการมองเข้าในหรือว่ามองตนนั่นเองคนส่วนใหญ่มองไปข้างนอกส่งจิตออกนอกแต่คนจำนวนน้อยเนี่ยหันมามองตน มองต้นนี้ก็คือมามองมาดูที่กายแล้วก็ใจจะเห็นอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยไม่เข้าไปเป็นเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นจากที่การเข้ามาดูกายก่อนนะอันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นบันไดขั้นต้นเ่ะมาดูกายไม่ใช่จ้องกายไม่ใช่เพ่งที่กายแต่ว่ามารู้เวลากายเคลื่อนไหวเวลากายทำอะไร เป็นความรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ใช่รู้เฉพาะจุดไม่ใช่รู้เฉพาะลมหายใจไม่ได้รู้เฉพาะท้องที่พองยุบไม่ได้รู้เฉพาะท่าที่ก้าวเดินหรือมือที่กำลังเขย่นขยับแต่มันเห็นรวมรวมมันรู้รวมรวมเรียกรู้ตัวทั่วพร้อมและเมื่อมารู้กายเวลาเคลื่อนไหวใจไม่ไหลลอยไปกับความคิด ไปนานๆไอ้หลุดลอยไปกับความคิดเนี่ยมันก็ธรรมดายอยู่แล้วนะเวลามาดูกา ย, ยแต่ว่าถ้าเราเจริญสติสม่าเสมอทำถูกเนี่ยมันจะกลับมาที่กายได้เร็วเมื่อกลับมาที่กายก็เรียกว่าอยู่กับเนื้อกับตัวใจอ ย, อยู่กับเนื้อกับตัวใจอยู่กับเนื้อกับตัวมก็รู้เนื้อรู้ตัวเมื่อรู้เนื้อรู้ตัวมก็รู้ว่า ก, ก, ก, กายเคลื่อนไหว หรือกายทําอะไรต่อไปเนี่ยพอใจมันคิดนึกนะนก็จะเห็นได้ไวขึ้นรู้ทันได้เร็วขึ้นอันตรงนี้แหละน้าที่ภาวะที่เห็นเนี่ยไม่ค่อยไปเป็นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเพ้นทีแรกเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็จะบอกให้มาให้มาสนใจกายก่อนให้มาดูกายก่อนถึงแม้เราตั้งใจจะเจริญสติเพื่อมารู้ทันความคิดแต่ว่า ให้มารู้ที่กายก่อนกายเคลื่อนไหวใจก็รู้แต่ถ้าใจมันหลงใจมันฟุ้งเนี่ยมันก็ไม่รู้นะว่ากำลังเดินหรือกลาลังยกหรือกลาลังกินกำลังอาบน้ำก็ไม่เป็นไรให้กลับมาไวๆพอกลับมาใจมันก็รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ จริงสิ่งที่รู้เนี่ยคือสตินะสติมันทำให้รู้ทำให้ใจนี่รู้สติเป็นเครื่องกำกับใจให้มาอยู่กับกายใจก็รับรู้ถึงเวลาที่ใจเผลอคิดนึกไปนะก็จะเผลอไปได้ไม่นานก็มารู้รู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์เกิดภาวะเห็นที่เห็นเข้ามาเกิดภาวะที่เห็นไม่เข้าไปเป็น แล้วพอเห็นแล้วมันก็ปล่อยมันก็วางได้มันวางได้มันวางเองมันจะไม่แบกอันตรพืทตร พ, พ, พือไม่ยึดไม่ถืออันตรพืทตรพือนไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์ไม่ว่าอารมณ์ที่พอใจหรืออารมณ์ที่ไม่พอใจนะอารมณ์ที่พอใจเนี่ยมันก็ ไม่ควรยึดถือนะเพราะว่าถ้าไปยึดถือแล้วก็จะทุกตามมาเมื่อมันแปลเปลี่ยนไปความดีใจความล่าเริงเบิกบานถ้าไปไปยึดไปถือมันมากเนี่ยพอมันแปลเปลี่ยนไปก็จะเสียใจนะอันนี้รวมถึงความสงบด้วยนะความสงบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ โอ้หลายคนนี่ชอบมากเลยนะมันสงบนี่มันมีความสุขอันนี้ท่านว่าเนี่ยสุขอื้อเนยื่ความสงบไม่มีแต่พอความสงบมันหายไปเสียใจเลยนะความหาความสงบหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอยิ่งผิดหวังยิ่งเสียใจหรือใจเสียอันนี้ก็เป็นปัญหาของนักปฏิบัติจนไม่น้อยเพราะว่าไปยึดนั้น เข้าไปเป็นผู้สงบนะแทนที่จะเห็นความสงบก็พุทธเจ้าได้ตรัสพระนันทิยาไว้แล้วนะอารมณ์ที่น่าพอใจอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเมื่อใดที่มันเกิดขึ้นก็ให้วางไว้วางไว้ตรงนั้นแหละอย่านำไปเก็บไปแบกเอาไว้และเช่นเดียวกันนะเมื่อเจอคำนินทาว่าร้ายหรือว่าลมปากของผู้คนมันก็จะไม่ทำให้ใจสั่นสะเทือน เพราะว่าพอมันเข้าหูซ้ายก็ทะลหูขวาไม่ทําให้เกิดความวันไหวใจก็เพิ่มแต่อย่างใดคําชมก็เหมือนกันนะคำชมก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเหมือนกันไม่ใช่ว่าถ้าเข้าว่าเราก็ปล่อยวางแต่พอเขาชมก็เก็บมาคลอเคลียไม่ใช่เข้าหูซ้ายทะลหูขวาเหมือนกันมีความดีใจก็ก็รู้ มีความยินดีก็รู้แล้วก็วางถ้าไม่วางถึงเวลาที่เสียใจยมันก็จะยึดก็จะแบกถ้าไม่รู้จักวางถึงเวลาที่เกิดความยินร้ายมันก็ก็ยึดก็แบบเหมือนกันนันจะเป็นสุขหรือทุกข์ก็ตามก็ก็วางทั้งนั้นมันมาเพื่อให้เราเห็นเฉ ย, ยๆเห็นแล้วก็วาง น, นี่คือวิถีของการปฏิ บ, บัติของการประพฤติธรรมที่เราควรจะใส่ใจ